แม้จะไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการวินิจฉัยกวางแต่เมื่อประชาชนขอร้องท่านก็ต้องทำและเมื่อวินิจฉัยไปแล้วปรากฏว่าเป็นที่พอใจของมหาชนอย่างยิ่งทาเจ้าของทรัพย์ให้เป็นเจ้าของทรัพย์ทาผู้ทุจริตให้พ่ายแพ้ประชาชนชื่นชมยินดีโห่ร้องขึ้นอึงคนหนึง่งจนได้ยินถึงพระเจ้าประเสณที่โกศล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 ที่ว่าพระองค์ส่งพี่ไปปราบโจรน่แม้พระองค์ทรงเห็นว่าพี่น่ยสมควรจะปราบควายเปรี่ยวแล้วสั่งพี่ไปพี่ก็จะต้องไปยิ่งกว่า น, นั้นถ้าพระองค์จะส่งพี่ไปต่อสู้กับความตายพี่ก็ต้องไปพระราชาเป็นเจ้าชีวิตน้องรักชีวิตของเราเป็นของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงต้องการเมื่อไรเราก็ต้องถวายทันที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 ไว้ต่ออารมณ์อันเร้นลับเสมออภิโสเมื่อมีข่าวท่านพันธุละออกปราบโจนด้วยตนเองโจนที่ก่อความวุ่นวายก็หลบหนีไปความจริงโจนพวกนี้เนี่ยก็คือราชบุรุษ ท, ที่พระเจ้าประเปรตที่ทรง แ, งแต่งไปนั่นเองและก็หาได้ปล้นหรือทําร้ายชาวบ้านอย่างข่าวลือไม่เมื่อท่านพันธุละเดินทางกลับมานครสาวกทีนั่นเองทหารที่พระเจ้าเปรตที่แต่งตั้งไว้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 ก็ไม่ทราบจะอยู่ไปทาไมตายซะดีกว่าอันหนึ่งตามเขาเรื่องถ้าท่านพันธุละปราถนารสชสมบัติในกรุงสาวัตถีท่านก็สามารถจิงเอาได้โดยง่ายแต่ความจงรักภักดีและซื่อสัตย์กรตัญญูเนี่ยทาให้ท่านยอมตายดีกว่าที่จะทําการอสัตต์กระตัญยูพระเจ้าประเสิทินั้นนเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าเป็นกรรษัตริย์ที่โง่เขลาและพระกันเบาด้วย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 พระ อ, อนตน์พูดจบแล้วบอกลาพิสุเหล่านั้นถแถลงว่าถึงเวลาที่จะต้องเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ชาตอนหนปาป่ากระโดลายเมื่อพระผู้มีพระภาคอราหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อนาวรณญาณ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 ร่างกายสูงใหญ่มีสง่าเดินเข้ามาสู่ป่าอันเงียบสงบนี้เมื่อท่านผ่านมาทางพระอานนท์นั่งอยู่เห็นเป็นสมณะแบบเดียวกันจึงเข้าไปหาด้วยอาการแห่งมิตรแต่ท่านหาได้รู้จักพระอานนท์ใหม่ท่านผู้ทรงครลดภิกษุรูปนั้นกล่าวขึ้นข้าพเจ้าไม่คิดว่าจะพบท่านผู้ใดในป่าอันวิเวกแห่งนี้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 พิสุททั้งหลายเราตถาคตได้ทิ้งดุนไฟแล้วและร้องบอกให้เธอทั้งหลายทิ้งเสยด้วยดุนไฟที่กล่าวถึงนี้ก็คือกิเลสทั้งมวลอันเป็นสิ่งที่เผาล่นสัตว์ให้เร่าร้อนกระวนกระวายพิสุทธทั้งหลายอายตนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนะภายนอกหกก็คือ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 พรามกล่าวจบแล้วสั่งให้บุตรีถวายบังคมพระาศาสดาพระโลกกนธาสกยาบุตรยังคงประทับดุษณียอยู่ครู่หนึ่งพระองค์ทรงนำพึงว่าพรามผู้นี้นะ่ะมีความหวังดีต่อเราต้องการสงเคราะเราด้วยสิ่งอันเป็นที่รักที่หงแหนที่สุดแห่งตนแต่สิ่งนี้นะ่ะมีความแก่ความเจ็บและก็ความตายเป็นธรรมดาเราจะปฏติการพรามผู้นี้ด้วยอมตะธรรม อเนรนพรามและพราหมณีทั้งสองนี้นะ่ะมีอุปนิสัยแก่กล้าพอที่จะบระลุธรรมของเราได้เป็นกรารมอบสภาพอันไม่แก่และไม่ตายแก่เขาตั้มเร ด, ดังนี้แล้วพระตถาคตเจ้าจึงเอื้อนพระโอษฐว่าพราหมถ้าเราจะเล่าเรื่องบางเรื่องให้ท่านฟังท่านจะพอใจฟังหรือไม่เล่าเธอสมณะข้าพเจ้าน่ะพร้อมอยู่แล้วท่านมีบุตรปัญญาอยู่แล้วหรือไง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 เราจะพอใจในสรีระแห่งทิดาของท่านซึ่งเต็มไปด้วยมูดและกรีดพรามเอยอย่าว่าแต่จะให้แตะต้องด้วยมือเลยเราไม่ปราถนาจะแตะต้องทิดาของท่านแม้ด้วยเท้าดูก่อนพระดาพระอ น, นุ์เล่าต่อไปพระดำรหลักตอนสุดท้ายของพระผู้มีพระภาคเป็นเสมือนสายฟ้าฟาดเปรียยงมงบนใบหน้าของบุตรีพราม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 ทิ้งมาคันธยาขามไว้เบื้องหลังมุ่งสู่ชนบทอื่นเพื่อโปรดเวนยสัตว์ต่อไป